น้อบน้อมต่อคุณพรัดตะไตยขอกาสเพื่อนสตรี ม, มิต ท, ท, ทุกท่านเจริญธรรมสายมณนแมชีและญาติธรรมทุกท่านเขาก็นั่งสบายๆเนะาะเมื่อกี้พระอาจารย์สุลินก็นำเราสวดบทปัจฉิมวาทเนาะคือที่พระเจ้าตอนนั้นท่านก็ใกล้จะปรินิพพานแล้วท่านก็เดินทางไปที่เมืองกุศินาลา เพื่อที่จะไปปรินิพพานเนาะครั้นี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายที่ท่านจะต้องสั่งเสียกับพระภิกษุสงฆ์ในในการที่เรียกว่าจะทําอย่างไรต่อไปเพราะหลังจากที่ท่าน <c oughs> ได้ได้กล่าววาจาศุดท้ายนี้แล้วท่านก็ไม่ได้กล่าวอะไรอีกเนาะเพราะฉะนั้นพระวาจาสุดท้ายจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเนาะในการที่จะสั่งเสียพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเนาะ แต่จริงๆแล้วก็ไม่ยาวนะสั้นๆทั้นั้นเองนัก็คือว่าภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเนาะอันนี้ก็คือหมายความว่าพระเจ้าเนี่ยท่านก็ใกล้จะปรินิพพานแล้วก็คือท่านก็บอกว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานั่นก็คือความเสื่อมไปก็คือความตายเนั่ยแหละเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ สูจจะได้น้อมใจว่าเออไม่ได้สศกเศร้ามากเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องจากไปแล้วก็บอกว่าให้ทําประโยชน์ของตงนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเนาะครานี้ประโยชน์ของของพระเนี่ยคืออะไรเห็นไหมอันนี้คือการสั่งเสียกับพระเป็นส่วนใหญ่นะประโยชน์ของพระก็คือให้ทำพระนิพพานให้แจ้งนั่นเองนะก็คือให้ทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้ทําให้ถึงความ สิ้นทุกในในชาติเนี่ยให้ให้ถึงความสิ้นทุกข์หรือถึงมิพคานโดยความไม่ประมาทเนาะความประมาทก็คือคิดว่ายังมีเวลานะยังมีเวลาอีกนานหรือว่ายังแข็งแรงยังหนุ่มยังสาวนะแล้วก็เลยประมาทกันไม่เล่งความเพียรหรือว่าไม่เอาจริงเอาจังนะหรือว่าทำเล่นๆอะไรทั้งหลายแหลนะก็คือให้ให้ตั้งใจ ให้ทาที่สุดทิ้งทุกข์ด้วยความย่ำหมาดนั่นเองเนาะอันนี้จึงเป็นคําสั่งเสียของสุดท้ายของพระเจ้าและตั่งนั้นท่า น, นก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเนาะอันนี้จริงๆแล้วก็เหมือนกับเป็นการเตือ น, นชาวพุทธทั้งหลายนะไม่ใช่ว่าเฉพาะพระภิกษุอย่างเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วในศาสนานั้ น, นคือความประสงค์ของพระเจ้าจริงๆนั้นท้าไม่ได้ว่าต้องการให้เราไป ทําแค่แก่นมาให้ทานหรือรักษาศีลอะไรทั้งหลายอันนั้นเป็นเป็นแค่แก่นเท่านั้นเองนะจริงๆชาวพุทธเนี่ยจะติ ด, ต, ดติดแค่แก่นเป็นส่วนใหญ่เมาเวลามาทําบุญทอากระถิ่นทวายป่าหรือทําบุญอะไรก็แล้วต่ น, นี้ก็ชอบนิยมทํากันเป็นส่วนใหญ่เนาะหรือรักษาศีลก็รักษาศีลจริ ง, รงๆก็รักษาเป็นประเภณนี้นะเวลาจะถวา ป, ป่าก็ขอศีล5้าอะไรนี่แหละแล้วรับไปแล้วเสร็จแล้วก็ไม่ได้รักษาอะไรหรอก จริงๆแม้แต่ศีลท่าก็ยังรักษาไม่ค่ได้เนาะก็คือมันเป็นเป็นแค่เป็นประเภทนี้เท่านั้นเองแล้วมันก็ประโยชน์ก็น้อยนะศาสนาอื่นเขาก็มีอยู่แล้วให้ทานรักษาศีลก็มีอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นสําคัญในพุทธศาสนาที่ต่างจากศาสนาอื่นมากมายมหาศาลเเลยว่าต่างกันมากก็คือศาสนาอื่นเาก็มุ่งในการนะให้ทานรักษาศีลหรือว่าบําเพ็ญอะไรก็เพื่อไปอยู่กับพระเจ้าไปอยู่บนสวรรค์เท่านั้นเองมันสะ่วนใหญ่เนาะ แต่มันก็ยังมันไม่พ้นจากความทุกข์เนาะมันก็คือยังยังเป็นแค่ขั้นหนึ่งอ่ะขั้นหนึ่งที่ต้องกลับมาเวียนบายไตยเกิดอีกนะ้าพุน้ำชาไม่ถ้วนแต่แต่สมมาเขาก็ไม่รู้กันเนาะหรือแม้แต่จริงๆแล้วในพระไตลักษณ์นี่ถือว่าเป็นจุดเด่นของพระสาตนาเลยนะคือความไม่เที่ยงนี่สารนาอื่นเขาก็รู้นะว่ามันก็ไม่เที่ยงนั่นแหละ เขาก็รู้ว่าไม่ใช่ไม่รู้มันก็แสดงอยู่แล้วหรือคนที่ไม่นัดถือศาสนาเขาก็รู้ว่ามันก็ไม่เที่ยงจริงๆนะอหรือความทุกข์นี่มันก็เป็นเรื่องที่ศาสนาอื่นเขาก็รู้กันนะความที่มันคงในพาะเดิมไม่ได้เป็นความทุกข์นี่เขาก็รู้กันแต่แต่จุดเด่นที่สําคัญก็คือปัตยานัตานะอนัตตนี่แหละคือความไม่ใช่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยแหละตรงนี้เป็นจุดเด่นในศาสนามากศนะาสนาอื่นเขก็ไม่มีนะ ก็มีแต่เป็นอัตตาอัตตาคือไปรวมอยู่พระเจ้าเป็นอัตมันนะหรือว่ามีสภาวะใดสภาะหนึ่งเป็นภพภูมิใดภพภูมิหนึ่งให้ไปอยู่กันเนาะอันนั้นก็ยังไม่ถึงที่สุดหนึ่งทุกข์อยู่ดีนะแต่ว่าในสาระพุทธก็มีถึงความเป็นที่เรียกว่าเป็นอนัตตาคือไม่ตัวไม่ตนนี่แหละนี่คือคือหัวใจเด่นในพระสารนาเลยจริงๆแล้วการมาทําทั้งหมดก็เข้ามาสู่ตรงนี้นะก็คือความที่เรียกว่าเราเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตน มันก็วางวางวางมันก็หลุดพ้นแล้วแต่ัยิตมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนมันก็ไม่วางเเพราะการปฏิบัติธรรมนี่มันต้องสังเกตว่าเรารวางไหมหรือไม่วางหรือยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ความเป็นตัวตนนี่มันเป็นสิ่งที่มันลึกมันละเอียดมันไม่ใช่ว่าวางง่ายๆแต่มันก็ต้องค่อยๆวางไปวางวางก็คือฝึกวางในเรื่องหลายๆอย่างเนะอะไรรู้เข้ามาก็วางรู้ก็วางนี่แหละมันจะวัยเนไะ นีมันเป็นหลักธรรมขั้นสูงในศาสนาเลยอืเพราะฉนั้นถ้าคนเข้าใจประเด็นที่พระเจ้าต้องการแล้วคือให้เราเปฏิบัติเพื่อเพื่อความที่สุดแห่งทุกข์นะให้พ้นทุกข์ไปเลยมันก็จะได้จับประเด็นได้ง่ายนะไม่งั้นก็ติดอยู่แค่เรื่องเรื่องทานเรื่องศีล น, นะหรือเรื่องอาการทำความดีต่างๆเนาะอันนั้นก็มันก็เป็นความดีแต่มันก็ยังไม่พ้นทุกข์อยู่ดีนะพระเจ้าเลยเตือนไว้ว่านะให้ทําประโยชน์ ของเราให้ถึงที่สุดโดยความเบื่อมาเถิดเนาะนะีั้นที่เราจะทำก็คือประการแรกเราต้องรู้จักก่อนใช่ไว่าเราเป็นอย่างไรนะมันต้องมารู้จักตัวเราให้ได้ก่อนว่าเราเป็นอย่างไรบ้างใช่คือการปฏิบัติธรมนี่มันไม่ได้ไปไปรู้ที่อื่นนะไม่ได้ไปรู้ภายนอกแต่กลับมารู้ภายในรู้กายรู้ใจเรานี่แหละว่าเราสังเก ต, ตกายใจเราได้ไหมใช่ม ม, มันมันก็มีในสติปัญญาสี่มายืนเดินนั่งนอมดืมกินพูดคิด รู้อิบทใหญ่ยืนเดินนั่งนอนก็กลับมารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะอิบุย่อยต่างๆเลียวซ้ายแลกขวาเดินหน้าถอยหลังคู่แขนเดียดแขนทรงจีวรสังขาติดื่มลิ้มกินเคี้ยวอุจจาระปัสสวะก็กลับมารู้ในขณะนี้ในปัจจุบันนี้ว่าเราทําอะไรอยู่แล้วก็ใสใ่ตัวนี้เป็นเครื่องเป็นเครื่องให้ใจมีเครื่องรู้นะมื่อไใจมันก็จะหลงไปกืบทั้งวันอยู่แล้วใช่ไหม คือเมื่อไรที่เราอยู่ในิ่งๆใจก็จะหลงไปในความคิดเป็นอารมณ์ต่างๆเยอะแยะนะอันนั้นคือความหลงทั้งนั้นเลยนะความหลงทั้งนั้นคือความหลงหรือไม่หลงมันดูว่าเราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจถ้าเราตั้งใจคิดมันก็ไม่หลงนะแบบเรื่องตั้งใจแต่ถ้าไม่ตั้งใจคิดมันคิดเองมันก็เป็นเรื่องหลงนะแต่นั้นก็ไม่ใช่เป็นความผิดนะก็คือมันไม่ต้องไปให้ฆ่าไม่เอาเป็นเรื่องไล่แรงไล่แต่มันหลงแล้วมันห้ามไม่ได้ใช่ไหมมันเรื่องหลงแต่สําคัญเราเรารู้ไหมใช่ไหม มันสำคัญตรงนี้เรารู้ไหมนะมันรู้มันก็กลับมาได้เองกลับมาได้เองนั่นแหละเนาะนอันนี้เรียกว่าให้เรามาอยู่กับความรู้ตัวนั้นก็คือใจได้มีเครื่องอยู่นะตรงนี้ใจมีเครื่องอยู่ในในความเป็นปัจจุบันนี้มารู่ที่กายก่อนใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดกินมารู้ที่กายอนะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็เลยให้เรามีเครื่องอยู่ที่เรียกว่าให้ทําได้ต่อเนื่องกัน เพราะการเจริญติงนี่มันต้องทำต่อเนื่องกันระยะหนึ่งนะอแต่ทำมันก็เราจุดไฟใช่ัหมสมัยโบราณมันต้องสีไฟใช่ไหมถ้าสีไฟแล้วก็หยุดสีแล้วก็หยุดมันก็ไม่เกิดไฟพอเก็ต้องสีไปเรื่อยๆสักระยะนึงมันก็จะเกิดประกายไฟขึ้นมาเนาะก็คล้ายๆกันนะก็คือให้เราทำให้ต่อเนื่องระยะหนึ่งแต่คำว่าทำให้ต่อเนื่องนี่มันไม่ใช่ว่าทำแบบแบบไม่เผลอเลยนะมันแบบตั้งใจมากเกินไปคอยประคองตัวรู้คอยไป จับจ้องคอยไปเพง่งไม่ให้เผลอเลยไม่ให้แวบไปไหนเลยนั่นก็ผิดเนาะอแต่ไมาความว่าให้เราทําไม่ใช่ไม่คือไม่ให้รู้ยาวๆแต่ให้รู้บ่อยๆนะรู้บ่อยๆเผลอก็กลับมารู้ใหม่เผลอกลับมารู้ใหม่น <pe> er> ี่เรียวกว่ารู้บ่อยๆ น, นี่ถูกต้องแล้วมันจะเป็นการขย่าทานรู้นะเมื่อจิตมันมี ม, ม, มีมีการรู้บ่อยๆจิตมันจะกลับมาได้ไบ่อยๆขึ้นเห็นไหมตัวนี้มันสําคัญมากบางคนบอกเป็นวันแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยไม่ไม่ได้อะไรไม่รู้ความรู้สึกตัวอะไรเลยแต่จริงๆแล้วมัน มันได้กลับมาไหมใช่ไหมมันมันแค่ได้กลับมาก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมมันคิดไปเออเรารู้ทันกลับมาอนี่แหละคือได้แล้วมันจริงๆมันได้แค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมมาก็เราคิดไปยาวเป็นชั่วโมงก็ไม่รู้เรื่องคิดทั้งวันอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกมันคิดไปสักสิบนาทีก็ไม่เป็นไรแล้วรู้มันเออมันกคิดมันแล้วรู้ความคิดมันกลับมาแล้วอ่ะกลับมาที่ไหนกลับมาที่รู้ตัวนี่แหละนี่มันก็ได้แล้วไม่ต้องมันมันมาได้ร้อเซ็นต์เลยตรงเนี้ยใช่ไหมมันจะเขย่าท่านรู้ให้ตื่นมาตรงเนี้ยนะ เพราะไม่ไม่กลัว่ามันความคิดมันเยอะบางคนบอวัดมัต้องไหลวัดให้มันฟุ้งซ่านมากคิดมากเออมันร่วนฟุ้งซ่านเนี่ยนก็รู้แล้วใช่ไหมมันไม่ใช่ไม่รู้ใช่ไหมถ้ามันไม่ไม่ร่วมฟุ้งซ่านนั่นแหละคือมันหลงใช่ไหมแต่เราร่วมฟุ้งซ่านเนี่ยแสดงเราเรารู้แล้วเนาะนั่นคือกลับมาบ่อยๆใช่ไหมกลับบ่อยจิตมก็เริ่มเริ่มขึ้นแล้ว่ามีความชํานาญมีทักษะมีความตื่นตัวตื่นรู้ได้ได้มากขึ้นแล้วใช่ไหมตรงนี้ก็พอแล้ว การที่มันตื่นรู้เนี่ยมันก็เออมันเป็นระดับหนึ่งแล้วที่เรียกว่าเราเราฝึกกิตให้เขากลับมาได้ตรงเนี้ก็เรียกว่าครูบาอาจารย์แบเป็นลงเป็นรู้ใช่ไหมเมื่อเป็นลมเป็นรู้บ่อยเราก็รู้ทันอารมณ์ต่างๆตรงนี้มันสาคัญมากเลยนะคือมันเริ่มที่กายก่อนแต่มันมันไปจบที่ใจมันเริ่มที่กายไหยืนเดินนั่งนอนเดิ่มกินบูดคิดนี่แหละหรือยกมือสร้างยงหวะเดินยงกลมเนี่ยมันเริ่มที่กายแต่มันไปจบที่ใจเราจะสังเกตใจได้นะมันเป็นอย่างไรก็รู้ทัน ตอนแรกเราก็รู้ทันความคิดได้บ่อยใช่ไหมจิตมันก็เริ่มเริ่มตื่นรู้นะตรงนี้สําคัญมากจิตมันเริ่มตื่นรู้มันไม่ให้จิตสงบนะบางคนก็จับไปเด็นผิดต้องให้จิตสงบต้องให้จิตเข้านิ่งๆหรือต้องจิตประคองตัวรู้ให้เผลอไปไหนเลยแต่แต่จิตเข้าตื่นรู้เนี่ยมันดีนะมันไวมันจะบ้องไวขึ้นเรื่อยๆนะมก็ถึงแม้เราสังเกตนะเราไม่ได้สร้างจังหวะไม่ได้ไปบัตรรมแต่จิตจะเริ่มตื่นรู้แล้วนะมันรู้ในลมต่างๆได้เร็วขึ้น เพราะจากการที่มันรู้ทันความคิดนี่แหละมันจะตื่นรู้อารมณ์ได้ไวขึ้นอย่างบางคนที่สมัยก่อนนี่ก็คือมีความโกรธก็ไม่รู้ก็ไม่ทันมันอ่ใครมาว่าเราแล้วก็โกรธเลยหรือว่าเข้าในรมเลยแต่ตอนหลังก็เริ่มรู้ทันแล้วตอนนี้มันกระทบอย่างเก่านั่นแหละโดนว่าหรือว่ากระทบเรื่องต่างๆอย่างเก่าแต่มันก็รู้ทันนะมันรู้ทันปุ๊บมันเห็นเลยมันเห็นเลยมันมันจริงอยู่ว่าพอเราเห็นแล้วเราจะเข้าไปในมันไหมมันมีทางเลือกใช่ไหม เห็นแล้วเราอยากจะโกรธก็โกรธได้ใช่ไหมโกรธย่างเก่าก็ได้หรือไม่โกรธก็ยังได้เลยใช่ไหมเนี่ยตรงนี้มันสําคัญนะมันเห็นอารมณ์ใช่ไหมเห็นอารมณ์ได้มันก็ไม่ใช่ว่าเห็นอารมณ์โกรธอย่างเดียวนะอันนี้แค่ ย, ยกตัวอย่างจริงๆอารมณ์ทุกอย่างมันก็เห็นหมดนั่นแหละแต่มันยุ่งมันละเอียดหรือไม่ละเอียดแล้วมันแรงหรือไม่แรงใช่ไหมอย่างความพอใจก็เป็นอารมณ์ใช่ไหมเป็นความปรุงแต่งเหมือนกันแต่ตัวมากคนก็รู้ไม่ทันมันมันก็เป็นเป็นไฟเย็นนะ ไฟเย็นก็มันก็ไม่รู้ไม่มีความสุขหรือความพอใจแต่มันก็เป็นอารมณ์นะเพราะฉนั้นมันมันจึงละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นว่าเราก็สังเกตุพวกนี้ได้บ่อยๆใช่ไหมทั้งหยาบทั้งละเอียดคืออารมณ์ไม่พอใจทั้งหลายแหลมันเป็นความหยาบมันเป็นความทุกอารมณ์ที่มันพอใจทั้งหลายมันก็เป็นความละเอียดเป็นความสุขเราก็สังเกตมันได้ได้บ่อยๆใช่ไหมเนี่ยจริงๆแค่สังเกตได้ก็พอแล้วนะสังเกตได้มันก็ทําอะไรแล้วไม่ได้แล้วเนี่ยตรงนี้มันมันไวมากเลย เธอเจริญสติเป็นนี่มันก็ไม่นานก็สังเกตได้แล้วเป็นอย่างไรเนอะเห็นอารมณ์ต่างๆได้ได้ไวขึ้นนี่มันก็ได้แล้วเนี่ยมันได้มากเลยบางทีภาคที่จะมาสืบ ก, ก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างพระพาลเล่าว่านี้บอกว่าเนี่ยดีกว่าทุกตะลืมวันที่หนึ่งนะมันยอดเยี่ยมแล้วคนที่เขาเลยรวยมีเงินเยอะๆเป็นพันล้านเขาก็เขาก็ไม่รู้ตรงนี้หรอกเขาก็มีมีความทุกข์อยู่ในอารมณ์ต่างๆเขาก็เป็นผู้สวยอารมณ์ แต่ถ้าเราเห็นแล้วก็ไม่เสวยลมนี่มันดีกว่าล่ํารวยลังเยอะใช่ไหมอ่าก็ให้ก็กําลังใจเข้าไปไปพัฒ น, นาต่อไปไม่ใช่ตอนนี้มันได้แล้วมันทิ้งไปก็หายหมดนะมันไม่ไม่หายมันเสื่อมได้นะมันยังไม่ไม่ถึงเข้าเนื้อมันเสื่อมทั้งหมดนั่นแหละเนาะแม้แต่คนได้ชาตได้อะไรก็เสื่อมหมดใช่ไหมเพราะนั่นตรงนี้มันมันต้องเข้าเนื้อด้วยใช่ไหมสังเกตให้ไวแล้วต้องสังเกตไปบ่อยใช่ไหมสังเกตไปบ่อยเอออารมณ์เล็กน้อยก็สังเกตได้ไวพอเรารู้แล้วเป็นไง รู้แล้วก็วางใช่ไห ม, ไ ม, ไ, มไม่ว่าสังเกตแล้วไปติดอารมนะรู้แล้วก็วางวางคอคําว่าวางไม่ใช่ว่าไปตั้งใจละเขาไม่ไปตั้งใจผักใสเขาแต่เราก็คือไม่ให้ค่าไม่สนใจอนะไม่เกี่ยวข้องด้วยนะไม่ไม่ให้ความสําคัญอย่างเงี้ยมันก็ผ่านไปนะอยงเงี้ยเราเห็นก็ผ่านปแปบบ๊บๆแล้วก็ผ่านไปเลยผ่านไปเลยตัวนี้มันจะไวขึ้นเรื่อยๆนะมันก็ไวติดในการผ่านเนี่แหละมันมันจะไวนะ แต่ถ้าเราเราไปให้ค่ามันคือไปสนใจมันไปผักใส่เขานี่ก็เป็นการให้ค่านะหรือไปไปไปคิดคํานึงต่างๆมันก็ให้ค่าหมดมาแต่ถ้าเราไม่ให้ค่าก็ผ่านหมดมันก็เราเห็นอะรปุ๊บล้วก็ไม่สนใจก็ผ่านแต่เราเห็นเออมันโฆษณาอะไรนะไปคอยดูเนะี่ยมันก็คือให้ค่าแล้วบางทีถ้าเราเข้าตัวเมืองนะเราขับรถผ่านโอ้มันมีป้ายโฆษณาเยอะแยะเลยมนะั้ยพอเห็นป้ายเราก็ไปอ่านอ่านใช่ไหม ออ่านนู่นอัานนี่ใช่ไเนี่ยมันก็ไม่ผ่านใช่ไหมแต่เราเราขับรถผ่านมาเรามองแว๊บเดียวรู้ว่าเป็นบ้านคนนั้นแล้วก็คือเราก็ไม่สนใจอาจจะอ่านก็ได้แต่ก็ไม่สนใจก็ผ่านแว๊บเดียวมันก็ผ่านหมดเลยใช่ไหมมันก็ผ่านเพราะนั้นอะไรที่คนษณาหลอกรวงมันก็ทําอะไรเราไม่ได้สัวอย่างหนึ่งมัก็คล้ายๆกันนะจิตมันก็มันก็ผ่านได้ทั้งหมดใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรที่เข้ามาอที่จะมาปรุงแต่งใจเราใช่ไหมมันเหมือนกับว่า เพอเราเข้าใจแล้วมันก็คล้ายๆใบบอนะนะใบบอนที่เราว่าใบบัวใบบอลน้ํามันก็หยดลงใบแล้วก็ผ่านน้ําหยดลงไปก็ผ่านก็คือน้ํามันก็หยดมันก็หยดมันได้มันไม่ใช่ต้องห้ามน้ําอย่าหยดลงมานะน้ําฝนอย่าตกลงมาน้ําอย่าไหลมันห้ามไม่ได้แต่น้ํามันมันตกลงมาแล้วมันผ่านไหมสําคัญกว่าใช่ไหมมันอยู่ในใจเราเป็นใบบอลหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเราสามารถที่จะ รู้ทันแล้วก็วางทุกอามมันก็เป็นใบบอลนเองนะมันก็มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมันก็ไม่ติดแม้อะไรหรอกนะแต่ถ้าใจเราเป็นแบบกระดาษทิชชู่มันก็มาแล้วก็ติดหมดอืใจที่เป็นกระดาษทิชชู่มันก็ยังไม่ได้ฝึกเลยนะ่มันก็เป็นใจที่ใจที่มันมันหยาบมันทรับได้ทุกอารมณ์มันรู้ไม่เท่าทันการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในใจเรามันก็ติดหมดะติดแล้วก็มีตัวเราเข้าไปร่วมผสมลงด้วยะเป็นเราลักเราชังเราเกลียดเราโกรธ เนาะตัวนี้มันมันมันจึงว่ามันมันจึงกลับมาประเด็นเนี่ยว่าเราสังเกตตัวตัวตนเราไวยไหมเนาะแต่ตอนแรกเราก็สังเกตอารมณ์ต่างๆให้ได้ก่อนเมีอะไรปุ๊บเราก็รู้ทันแล้วก็ผ่านไม่ข่าก็คือไม่ผักไสไม่ไปติดเขาเนาะมันก็ผ่านหมดใหม่ๆจะไม่ผ่านนะอาจารยไม่ผ่านแต่ว่าเมื่อเราชํานาญกันเรื่อยมันก็ผ่านมันเองนั่นแหละมันไม่มีอะไรหรอกใจเราไม่ได้ไปอะไรมันก็ไม่มีอะไรมั้งมือนกับบางทีเราก็เอ บางทีก็มีเสียงนู่นเสียงนี่ทั้งวันนั่นแหละ <c oughs> อย่างบางทีก็บางทีเคยยกตัวอย่างให้นักไปัฟารมฏิบัติฟังบา ง, <c oughs> งทีมีคนชื่อสมศักดิ์สามสคนนะแต่มีคนเยอะเลย <c oughs> เขาดา่าสมศักดิ์ไม่ดีสมศักดิ์เร็วสมศักดิ์แย่จังเลยนะครั้นี้สมศักดิ์ตั้งสามคนมีใครโผล่มารับมันก็โดนอีกคนที่ไม่โผล่มารับก็ไม่โดนเห็น ไ, ไหมมัแค่สมมุติขึ้นมาเองนะมันก็เราไม่ใช่สมศักดิสส์ของเราชื่ออะไรก็แล้วแต่น ะ, ะเขาดา่าเรา มันก็ด่าไปนั่นแหละถ้าเราไม่รับมันก็ไม่มีใครไปรับใช่ไหมหรือแม้แต่ด่าตรงๆเราด่าตัวเราตรงๆเลยถ้าเราไม่รับมันก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรไปรับมันเท่านั้นเองใช่ไหมอยู่ที่เราไปรับหรือเปล่าใช่ไหมเพราะาทุกอย่างมันเกิดจากใจเราปรุงแั่งทั้งนั้นเลยนะแต่เราไม่รับไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่มีอะไรมันไม่ห้ามอะไรใครไม่ได้หรอกอยู่ที่ใจเราต่างหากมันไปแก้ไขคนอื่นไม่ได้แต่แต่ต้องแก้ทค่ตัวเราเองใช่ไหมอ่คราวนี้ถ้าเราไปบัตรไประยะหนึ่งแล้วมันก็เห็น ในความเป็นพระไตรักษณ์นะจริงๆแธรทำนี่มันไม่ได้เพื่อเอาอะไรไม่ได้ต้องเป็นอะไรไม่ต้องไปรู้อะไรแล้วก็ไม่ต้องติดอะไรด้วยนะมันเป็นแค่รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางเข้ามานะเราไปบัตรแล้วก็เห็นเอิมนะมันบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีนะอย่างคนใหม่ๆก็มีความทุกขนะ์แบบต้องนานแล้วถ้ามันไม่มีไม่ดีถาวร น, นะทำไมมันไม่รู้ตัวทั้งวันหรือว่ามันต้องไม่เผล่นะหรือว่า เมื่อวานรู้สึกตัวดียังเลยวันนี้ไม่รู้สึกตัวเลยอะไรเนี่ยก็มีความทุกข์แต่จริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจมันก็คือมันก็แสดงว่าใจรักอยู่แล้วว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาจึงแสดงความไม่เที่ยงเ ท, e ท่านั้นเองใช่ไหมอันนี้เราเข้าใจมันก็วางเลยมันไม่มีความทุกข์อะไรหรอกนะปฏิบัติธรรมมันคือมันไม่บฏิบัติเพื่อความทุกข์ใช่ไหมมันบฏิบัติเือการทนทุกข์แต่ปฏิบบัติแล้วมันยังทุกข์อยู่เพราะเราจะไปเอานั่นเองให้มันดีให้มันได้ให้มันเป็น นี่คือความทุกข์ทั้งเลยมันเป็นการดิ้นรนของใจแต่เราเข้าใจแล้วก็ไม่เป็นไรมันดีก็ไม่เป็นไรมันไม่ดีก็ไม่เป็นไรนั่นแหละมันก็เรื่องธรรมดาเนาะบางคนไปบัตรแล้วก็ติดก็มีนะไปบัตรแล้วมันได้ปิติก็มีรู้สึกว่ามันรู้เตือยาวๆเอ้ยพอเลิกไปบัตรแล้วมันยังรู้สึกตัวได้หลายวันก็มีนะมันรู้สึกตัวได้หลายวันปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วก็อยากก็ได้อย่างงั้นอีกก็มีนะพอไม่ได้ก็มีความทุกข์ บันนี้ก็มีนักปฏิบัติโทรมาปรึกษาว่ามันทําไมรู้ตุกต้องหลายวันแล้วมันหายไปเลยเราอยากได้ก็ทําแล้วก็ไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้บอกว่ามันมันติดแล้วนะมันมันติดแล้วนะคือปฏิบัติทำเจริญสติมันไม่ใช่ไปติดนะไอ้ที่ติดมันคือสมถะหมดเลยนะมันเป็นร่างหลังของสมถะสมถะเช่นไปบัติแล้วจิตมีความส ง, งบมีความปิติมีความสุขต่างๆหรือมีนิมิตมันโตติดทั้งนั้นเลยสมถะนี่คือตัวติดแสดงว่าปบัติทำนั้นคือ ที่ผ่านมาของท่านนั่นแหละคือสมถะนะคือไปคอยประคองตัวรู้หรืออะไรทั้งหลายแหละนานๆปุ๊บมันก็เกิดปิติแล้วมันก็มีสภาวะธรรมที่มันต่อเนื่องสักระยะนึงแล้วก็ไปติดในตัวนั้นอพอมันนั่นก็ผ่านไปแล้วก็จะไปติดมันเอกอยาก็ได้มันเองใช่ไหมเนี่ยมันก็ไม่ผ่านใช่ไหมเนี่ยมันเป็นสมถะแท้เลยความติดเนี่ยก็คือสมถะคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นเพราเราไม่ได้ก็มีความทุกข์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ การปฏิบัติเจรติก็มันมันต้องเป็นวิปัสสนาก็คือมันมาแล้วก็ผ่านเลยมาแล้วก็ผ่านเลยก็เห็นพระไตรลักความเกิดความดับความไม่เที่ยงนี่แหละมันสาคัญใช่หไหมอ่ามันมาแล้วก็ผ่านเลยไมไ่ไปหวังกับมันปัจจุบันนี้ก็พอแล้วอดีตจะดีขนาดไหนเป็นไงทิ้งให้หมดเลยไม่ไปติดในอดีตเนาะมันต้องวางให้ไวนะเพราะมันจึงต้องคํามารู้ระววางก็คือวางหมดนะไม่ใช่วางเพื่อจะเอา แต่ก็คือวางเพื่อจะวางนะวางก็เพื่อจะวางก็คือวางจริงๆไม่ต้องไปเอาอะไรกับมันจิตมันก็ปล่อยก็วางนะมันไม่ได้ไปเป็นอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรเนาะตรงนี้มันก็สังเกตได้นะพอเราเห็นเมื่อไตรักษณบ่อยๆมันก็วางได้เองใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจึงว่าเราต้องฝึกวางไว้ก่อนใช่ไหมการวางตัวตนมันเป็นเรื่องยากมันละเอียดคราวนี้เราเมื่อเราฝึกวางในเรื่องต่างๆได้แล้วมันก็ไวขึ้นนะ มันดีแล้วก็วางไม่ดีก็วางนี่แหละมันจะค่อยๆวางหรือว่าเกิดอะไรขึ้นในใจเราก็วางใช่ไหมคราวนี้บางทีก็แนะนําคนว่ามันบางทีมันก็พวกนี้เป็นรูปธรรมไอ้เป็นนามธรรมนะตรงนี้มันนามนามธรรมเราจะทำไงเป็นรูปธรรมนะก็คือมีมีคำบางอย่างให้เขาช่วยเขาเช่นช่างมันนะมันมันดีก็ช่างมันไปดีก็ช่างมันไม่ดีก็ช่างมันมันจะได้วางจริงๆนะไม่ใช่ช่างมันเพื่อมันดีมันมันไม่ดีก็ เช่นมันไม่พอใจก็ช่างมันอแต่ไม่ช่างมันให้มันดีหรือให้มันหายแต่ช่างมันหมายคว่าช่างมันแล้วมันจะดีหรือไม่ดีมันจะหายไม่หายก็ช่างมันไปอีกะก็คือช่างมันแบบไม่อะไรกับอะไรไปนี่แหละเนาะคราวนี้เมื่อช่างมันบ่อยๆมันก็ผ่านไปได้ไวขึ้นใช่ไหมคือคนเรามันต้องมีบางอย่างที่มาเตือนใจเราถ้าไม่เตือนใจนี่เราไม่มีปัญญาพอมันมันก็จะติดอยู่ใช่ไหมอ่าคราวนี้บางคนแนะนําไปแล้วเออช่างมันนะอะไรไปบัตรแล้วไม่ดีก็ช่างมัน ไม่พอใจก็ช่างมันปรากฏว่าเขาก็บางคนก็ไปฝึกช่างมันนียช่างมันบ่อยๆอะไรเกิดมันก็ช่างมันปรากฏว่าตอนหลังอาจิตเขาช่างมันได้ได้เองแล้วนะตอนหลังก็จิตมันมีอะไรปุ๊บมันก็ช่างมันได้ไวขึ้นนะช่างมันมาเองจิตมันช่างมันได้เองนะเพราะว่ามันมันเคยฝึกมาแล้วมีการเตือนใจแล้วมันก็มันก็ผ่านได้เร็วมีความสุขขึ้นเออมันมันมันก็ไม่ยากนะมีความสุขขึ้นแต่การที่มันช่วยเตือนใจนี่แหละ เนาะมันก็มันก็ผ่านได้เร็วนะอาศัยตัวนี้เป็นเครื่องช่วยเ <c oughs> นาะตรงนี้มันก็มีบางอย่างเป็นเครื่องช่วยแล้วมันก็สามารถที่จะสังเกตได้มันก็ผ่านนะมันก็ผ่านมันไม่ติดสมัยก่อนจะได้มีกําลังใจนะที่จะดํำเนินในขั้นต่อไปนะมันก็ผ่านมาขั้นหนึ่งแล้วนะก็คือฝึกในการที่จะรู้นี่แหละรู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็วางรู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็วางเป็นผู้ดูไม่มเป็นนะก็สังเกตตรงนี้ได้นะจิตก็จะมีความชํานาญ <c oughs> จำนานมากขึ้นเรื่อยๆในการที่เป็นผู้ดูไปไม่ผู้เป็นนะ เ, <c oughs> เมื่อเมื่อเขาดูเป็นผู้ดูไปมันจะเริ่มสังเกตตัวเองได้ไดง่ายขึ้นแล้วตอนนี้เราเรามีส่วนได้เสียไหมเรามีความเกี่ยวข้องไหมเนี่ยตรงนี้มันเป็นประเด็นที่สำคัญแล้วมันก็ลึกลงไปชั้นหนึ่งใช่ไหมมันบางทีเรา <c oughs> ไปบันทึกเราเราอยากได้เนะี่ยมันก็ต้องสังเกตเออมันมีอยากได้มันมีใครอยากได้ก็มีตัวเรานั่นแหละอยากได้ มันอยากได้แล้เห็นตัวเราเองชัดขึ้นเรื่อยๆอะไรตัวเรามันอยากได้นี่นะใช่ไหมอ่าแต่สมัยก่อนไม่รู้มัมันก็อยากได้เนี่ยแต่มันไม่รู้มันมีตัวเองอยากได้นะแล้วก็เห็นตัวเองอยากมีอยากเป็นใช่ไหมอยากได้อยากมีอยากเป็นนะพระลุงพระเทียนบอกว่าปฏิบัติเพื่อให้อยากอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างมีอันนี้เป็นเสียงหลว่อเทียนะอยากอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีเนี่ยคือผู้ที่เข้าถึงธรรมแล้วท่านก็เป็นอย่างเงี้น่ะท่านก็บอกอย่างนี้นั่นแหละหลวงพ่อมื่อเทียนก็บอกไม่ไม่เป็นอะไรกับอะไร <c oughs> ไม่ต้องเป็นอะไรกับอะไรนะ <c oughs> แต่ว่าเราต้องอาศัยระยะหนึ่งที่เป็นความเข้าใจนะมันก็ต้องอยากได้ก่อนนะ ไ, ไม่อยากได้จะมาไปทําไปทําไมนะมันก็ต้องมีความอยากอยากก่อนนะก็เป็นเรื่องที่ดีนะมันไม่ไม่ไม่ดนะีอันนี้มันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นนะเมื่อเราอยากก็คือเราจะเอานั่นเองนะอยังยังคนอยู่ในทั้งโลกก็จะเอาอยู่แล้วใช่ไหมอยากจะมี มีเงินทองเยอะๆมีชื่อเสียงมีความร่ำรวยนั่คือการเอาใช่ไหมคือการเอาก็ไม่ผิดนะเป็นการที่เราว่าเราก็อยากได้ไม่ไม่ผิดหรอกครั้นี้มาปฏิบัติธรรมเราก็อยากจะเอาอีกไหมก็คืออยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้สติสมาธิปัญญาอยากรู้สึกตัวอยากบรรลุธรรมก็คืออยากได้เหมือนกันมันก็เป็นตัญหาเหมือนกันมันก็ไม่ผิดหรอกใช่ไหมที่ไม่ผิดเพราะอะไรเพราะมันเป็นความอยากความอยากอะไรก็คือความอยาก มันก็เป็นความอยากนะถ้าเราไม่มีความอยากเราก็ไม่ได้มาเวียนว่ายตายเกิดแล้วใช่ไหมมันไม่เป็นเรื่องที่ผิดอะไรของเราเลยแต่มันเป็นที่อยู่ในใจเราเองอยู่แล้วใช่ไหมแปลงก็เราต้องนิพพานไม่ลงนาแล้วแหละใช่ไหมแต่สําคัญว่าเมื่อเรารู้ทันแล้วมันเป็นอย่างไรนะก็คือมันต้องคลายออกใช่ไหมก็คือเปรียบว่าทำแล้วก็คือมันไม่ต้องอยากได้อยากม่อยากเป็นเมื่อไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นกิมจึงเกิดการคลายออกคลายออกเกิดการปล่อยการวางนี่แหละเนาะ เพราะเมื่อปฏิบัติถึงระยะถึงแล้วก็เกิดการคลายออกเกิดการคลายออกก็คือมันไม่ต้องอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรเพราะการอยากได้อยากมีเป็นก็คือมีตัวเรานั่ยแหละอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่มันคลายออกก็คือการคลายจากตัวเรานั่นแหละคลายตัวเราว่าเราไม่ต้องอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่ต้องอยากได้อะไรเลยใช่ไหมมันก็วางวางได้เร็วขึ้นนะวางได้เร็วขึ้นเพราะเมื่อไรที่มัน้ตัวตนที่เราสังเกตเห็นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันจะวางได้เร็วขึ้นเพราะเราไม่ตรงนี้มันก็ยังยังเป็นการ การวางเพื่อจะเอา <c oughs> วางเพื่อจะเอาอยู่ดีใช่ไแต่ถ้าไม่มีตัวตัวเราสังเกตได้มันก็วางจริงๆนะมันไม่ต้องอยากได้อยา่างนี้เป็นแล้วมันก็วางวางจริงๆเลยมันไม่วางเล่นๆ <c oughs> จิตมันก็เลยสังเกตอารมณ์ต่างๆได้ง่ายโอ้ <c oughs> พวกนี้เป็นของปลอมนี่นะ <c oughs> เป็นของปลอม <c oughs> มันก็เลยมารู้จริงๆแล้วไอ้จิตนี่มันมันไม่มีอะไรนะจิตมันมีหน้าที่แค่รู้เท่านั้นเองนะ จิตมันไม่มีท่านที่อะไรมันก็แค่รู้มันเองนะมันรู้เท่านั้นมันก็จบที่รู้แล้วมันก็ไม่ต้องไปเอาอะไรกับมันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกต จ, จิตน ะ, ะมันมีหน้าที่แค่รู้เท่านั้นเองอความโกรธมันก็มีหน้าที่แค่รู้มันไม่มีหน้าที่ไปยุ่งอะไรกับเขาเพราะการที่ไปยุ่งทุกอย่างคือความปรุงแต่งหมดเลยนะคือการถงใจทั้งหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นความโกรดนี่แหละมันเป็นเรื่องที่ว่ามันไม่ใช่ใจเป็นเรื่องของการปรุงแต่งนะฮเป็นเรื่องของการถงใจนะ ถ้าเราอยากดังบบนี้ประตูนิพผานอยู่ตอนหน้าเราเลยนเะมื่อก่อนเราเป็นทั้ง น, น, นั้นเลยนะแต่ตอนหลังถ้าเราเห็นว่าเออใจก็ส่วนหนึ่งอาการของใจหรือความปรุงแต่งอีกส่วนหนึ่งมันแยกกันแล้วนะมั น, นเริ่มแยกกันแล้วเมื่อก่อนเป็นเรานะเป็นเรานะ เ, นเรากลัเราลักเรารชางังเรามีตัวมี ต, มต น, นแต่ตอนหลังเราเออเรารู้ว่ามันแค่รู้เท่านั้นันก็จบพิรูธปุ๊บเราจะสังเกตได้เลยว่านั่นะหละอนอกนั้นคืออารมณ์ทั้งหลายคือเช่นความกลัวเป็นต้นอันนี้มันคือความปรุงแต่ง หรืออาการทางใจทั้งนั้นเลยไม่ได้เกี่ยวกับใจมันแยกออกจากกันสมัยก่อนมันจะคุกเข้ากันหมดเลยคุกเข้าเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเป็นเราลักเราชังเราเกลียเราโกรธใจเราที่มันโกรธมันรักมันชังมันแยกไม่ออกเลยแยกไม่ออกเลยเพราะว่าเราตอนนั้นใจยังหยาบอยู่มช่ไหมแต่าไปบัตรธรรมเราก็เห็นเว่าใจมันค่รู้นั้นก็จบแค่รู้แล้วมันก็วัยนะจบแค่รู้ก็คือมันรู้แล้วมันจะ มันจะโกรธต่อหรือไม่โกรธต่อไปเรื่องมันไม่เรื่องเราแล้วเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับเราอันนั้นคือการทุ่งใจนั่นคือความปรุงแต่งนั่นคือสภาวะธรรมอีกอย่างหนึ่งที่เราบังคับบัญชาก็ไม่ได้ก็เป็นฉะนั้นเขาเองใช่ไหอตรงนี้มันก็แยกได้แล้วเออกายกับใจอืแยกระหว่างใจกับการทุ่งใจนะอยกความปรุงแต่งกับใจมันแยกจากกันแล้วเนี่มันมันเห็นตรงนี้มันก็เริ่มคลายแล้วเริ่มวางจริงๆเพราะนั่นมันก็เร็วออกจากอารมณ์ต่างๆได้ไวขึ้นโดยความ ค่อนข้างจะหมดจดใช่ไหมฮมันจะหมดจดกว่าสมัยก่อนใช่ไหมมันก็มันก็จบได้เร็วขึ้นนะมันไม่ไม่จะว่าเออไม่ไม่เป็นมาสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนเราเป็นรักเรารักเราชังเรากลัวเราเกลียดแต่ตอนเรามันก็แยกกันแล้วก็ไม่ก็ไม่ไม่ใช่เราไม่ใช่เร า, เ ร, ารักเราชังเรากลัวเราเกลียดมันก็จบในวัยนะมันแยกก็เห็นเอออารมณ์ส่วนหนึง่งใจส่วนนึงนะอ่าแล้วใจเป็นของเราไหมล่ะใจก็ไม่ของเราอีกใช่ไหมใจก็อาศัยเป็นตัวรู้เขาเรียกว่าอาศัยใจ เหมันก็เป็นเรืนะะอนะเรือเพื่อใส่ตัวรู้นั่นแหละข้ามฟากเหมือนข้ามฟากแล้วมันก็ต้องวางเรือนะถ้าไม่วางเลือก็ติดในเรือนั่นแหละเพราะตัวรู้ในตัวก็ต้องวางใช่ไหมแต่ไม่ว่าวางคือไปทําลายตัวรู้แต่ก็คือไม่ติดในตัวรู้ทั่านั้นเองก็คื่อใส่ตัวรู้นั่นแหละแต่ก็ไม่ติดมันเพราะมันมันก็คือในสุวก็วางทั้งหมดเลยไม่ได้วางไม่ได้ไม่ได้ติดในอะไรเลยตัวรู้ก็ต้องวางด้วยมันก็มันก็เลยไม่มีอะไรที่ว่าต้องไป ไปยึดมั่นถือมัน่นอะไรกับมันแล้วมันก็จบทุกอย่างใช่ไหมใจก็ไม่ยังเราแล้วใช่ไหมก็เราก็สวดมนต์อยู่ทุกวันตอนเช้านะสัพเพสั่งฆ่ารานิจจา ส, สัพเพสังขาร า, าทุกขาสัพเพธรรมานตานะสังขารมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ทำทั้งหลายมีแต่ความไม่ใช่ตัวไม่ตนอันะนี้มันสําคัญมากมันก็เลยมาในตอนสุดท้ายที่รู้ว่าพระเจ้าได้ทรงแสดงไว้กับ ปัญจวัคคียตอนนี้ท่านบรรลุเป็นพระโตดาบันแล้วแต่ยังไม่มีใครบรรลุเป็นพระละหันเนาะแสดงว่าดูก่อนพิกตุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเที่ยงและไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรจะตามคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควรตามคิดชนะพระเจ้าข้านั้นก็ทรงแสดงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาคือกายและใจเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นนตาอย่างไรเพราะแรงจบเนี่ยบรรลุเป็นพระรหั์นั้งหมดเลยน่ะนี้เป็นประเด็นหลักเลยที่กลับมาสู่กติลักษั์นั่นเองนะคือมาเห็นความสภาวะต่างๆแล้วไม่เทียมเป็นทุกขปนตตาแล้วมันสรุปได้จริงๆมันไม่ตัวไม่ตนของเราเนาะเพราะฉะนัะ้นถ้าเราบังคับบัญชาก็ได้มันก็เป็นตัวเราแต่ภาวะทุมอย่างเราบังคับมันไม่ได้เลยมันจึงไม่ให้ตัวเรานะมันสามารถที่จะกลับมาสู่สู่ความเป็นจริงได้ว่าไม่ตัวเราเลยมันจึงแสดงกว่าความไม่เทียมเป็นทุกข์ปนตตาเนาะ คันนี้มีพระสูดุสําคัญหรือพะสดุหนึ่ง <c oughs> คือตอนนั้นมาลุงยบุตรนี่อายุมากแล้ว <c oughs> มาลุงยบุตรก็ม า, ม า, ม, ามาถามพระเจ้าบอกว่าข้าพุทธองอายุมากแล้วจะบัดอย่างไรจึงได้ผลเร็วนะแต่จริงๆตรงนี้มันตรงกับที่พรายาณก็พูดรวมไปที่เดียวเลยพระพายาก็คล้ายๆกันพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเหมือนกันเลยทั้งพายาณและก็มาลุงยบุตรบอกว่า เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแล้วได้ยินรู้สักแต่วรู้ทราบก็สักว่าทราบเมื่อนั้นท่านจักไม่มีในโลกนี้จักไม่มีโลกหน้าจักไม่มีในโลกทั้งสองนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกก์ละก็คือมันแค่สักแต่ว่าเองเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่วาได้ยินรู้ก็สักแต่ว่ารู้ทราบก็สักแต่ว่าทราบก็คือมันมันก็แค่รู้มันก็จบที่รู้แล้วนะรู้สักแต่ว่ารู้เนี่ยนะทราบสักว่าทราบมันก็คือคตจบพิรูแล้ว เมื่อจบที่รู้แล้วมันก็คือไม่มีในโลกนี้แล้วโลกหน้าแล้วมันไม่มีอะไรแล้วนะนอกจากความรู้แล้วก็คือความปรุงแต่งนั้นนะคืออาการคือความปรุงแต่งทนั้นก็คือไม่ไปให้ค่ากับมันมันก็จบแล้วที่ตรงรู้นี่แหละนะเนี่ยมันก็มันก็เลยไม่มีนี่แหละคือสุดที่สุดอย่างทุกข์ละพอแสดงทำจบแล้วพระพายะนี่ท่านก็ฟังบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อย่างรวดเร็วนะส่วนออ่ืมส่วนไอ มาลูยาบทนี้พอไม่นานก็มาลูเป็นพระฐานเหมือนกันมานี้ก็ก็คือการที่ท่านสามารถแยกอันนี้คือรู้นะนี่คือความปรุงแต่งนะอ่ามันมันแยกมาแล้วมันก็เห็นเออความปรุงแต่งก็ไม่ใช่เรามันก็จากไปรู้ก็คืออาศัยตัวรู้เป็นเรือแล้วอีกหน่อยก็วางตัวรู้ก็จากไปเหมือนกันนะมันก็หมดมันก็ไม่ได้ยึดมั่นหรือถือมั่นกับอะไรเนาะมันก็ยังมันยังง่ายกว่าที่ต้องไปจัดการอะไรมันต้องเยอะมันก็รู้น่ะมันก็ไม่ปรุงแต่งก้ะจบแล้วนะ มันก็จึงว่ารูา้ลแล้วก็วางรู้แล้วปล่อยนะใหม่ๆก็รู้แล้วก็วางในลมต่างให้ได้ก่อนใช่ไหมหลังนั้นมันก็ค่อยๆรู้แล้วก็วางในตัวตนนี่แหละมันก็วัยขึ้นเรื่อยๆนะมันก็รู้เท่าทันแล้วก็สังเกตตัวเราเองได้ไวขึ้น เ, เกิดเหตุการณ์อะไรก็สังเกตว่าเมืตัวเมื่ส่วนได้เสียไหมใช่ไหมเออเมันได้เสียไหมเกิดเหตุการณ์อะไรมีส่วนได้เสียไหมใช่ไหมมันก็ทุกอย่างจริงๆแล้วมีส่วนได้เสียในตัวเราทั้งนั้นนั่นแหละไม่คจะทําอะไรใช่ไหม มีแต่ตัวเราทั้งนั้นเลยแต่เมื่อเราสังเกตได้บ่อยขึ้นมันก็ค่อยๆวางเองใชมันก็ไวขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นอารมณ์ต่างๆนะความโกรธนี่แหละมันก่อนเรารู้ทันความโกรธมันก็ดับไปได้ไวรู้ทันความยิ่งก็ดับไปได้ไวเพราะเมื่อเราสังเกตตัวตนว่าตัวตนเราเกิดขึ้นตรงไหนปุ๊บมันก็จะดับไปได้ไวเหมือนกันใช่ไหมันสังเกตตัวตนได้โผมาไหมโปุ๊บรู้ทันเลยพผล้รู้ทันเลยนะมันก็อีกหน้อยว่าพผล้รู้ทันปุ๊บมันก็สังเกตได้ไวแล้วมันก็ค่่อออยยยยๆๆนน้ลลลงงงตตัวก็เบา ใช่ไหมสมัยก e ่ these, อนบางทีอาจจะมาไปเที่ยววัดอื่นนะไปวัดอื่นเนี่ยเราเรารู้เรา is, ก็พันศามมาก็เจอใครเราสวัสดีหมดเลยสวัสดีสวัสดีสสดไปมันดีมากเลยนะมันรู้สึกมันก็ดีนะเจอใครก็สวัสดีนะอยู่วัดเราเราไม่สวัสดีอยู่วัดอื่นไปสวัสดีหมดแลยตัวเราก็สบายๆนะอแต่เราไปพูดแล้วตัวเราตัวเราใหญ่ถ้าเดินกลางไปเลยนะตัวเราใหญ่มันมันปุ๊บเนี่ยมันสังเกตได้ไวเลยนี่ตัวเราใหญ่ขึ้นมาแล้วนะเนี่ยมันสังเกตตัวต้นได้ไวขึ้นมา เพราะฉนั้นตรงนี้มันสังเกตต่างๆได้ไวขึ้นก็เอ้อารมณ์ต่างๆมันก็เบาลงไปด้วยนะถ้างเกตตัวตนไม่ได้เนีมันก็มันมีตัวเราปุ๊บเนี่ยมันอารมณ์ตามมาเลยเป็นของเราเป็นตัวของเราตามมาเพียบเลยนะอ่พอเราสังเกตได้มันก็เบาลงเองนะเนี่ยเนี่ยแค่เปรียบเทียบง่ายๆว่าเออตัวเราเป็นอะไรบ้างนะมีตัวใดเสียนเหตุการณ์ต่างๆไหมปุ๊บเมื่อเราสังเกตได้มันก็เบาไปเองนะทุกอย่างไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมอยู่ที่ความที่เราไปยืนมั่นเขาเองนะแต่จริงๆเมื่อเราปล่อยแล้วมันก็หายไปจางไป คลายไปทั้วหมดเนียนะเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นที่สุดแห่งทุกข์ละนี้พระเจ้าบอกนะอตรงนี้แหะเมื่อเรารู้สัตว์ว่ารู้เห็นแต่ว่าเห็นมันก็คือที่สุดแห่งทุกข์แล้วนะก็ไม่มีอะไรหลังนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะมันก็สังเกตอารมณ์ต่างๆเราได้ไวขึ้นเรื่อยๆเนาะเนี่ยครูบาอาจารย์เคยบอกว่ารู้รู้เฉยๆรู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้ซื่อนี่แหละก็คือสัตว์ว่าเห็นก็สัตว์ว่าเห็นนี่แหละรู้รู้ซื่อ แล้วก็เป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะเห็นไม่เป็นนี่ก็รู้ซื่อๆเหมือนกันก็คือไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเป็นผู้ดูไม่ผู้เป็นเห็นเห็นไม่เป็นนะมันก็ซื่อๆนั่นแหละใช่ไหมมันก็สักแต่ว่าเหมือนกันเห็นสักแต่ว่าเห็นเพราะฉะนั้นโกรธก็สักแต่ว่าโกรธนะไม่ใช่เราโกรธนี่แหละหลังจากครูบาอาจารย์เราบางกีบอกว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรก็คือไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นไม่เป็นผู้โกรธไม่เป็นผู้รักไม่บูชัง ไม่ตัวไม่ตนไม่สัตบุคคลตัวตนเราเขานะนี่หลวงพ่อเทสเองนะเคยฟังบอกว่าไม่ไม่เป็นสัตบุคคลบุคคลตัวตนเราเขานะก็คือไม่ไม่เป็นอะไรกับไรแล้วนะไม่ได้เป็นผู้รักผู้โกรธผู้ชังเนี่ยถ้าเราสังเกตนีได้ก่อนนี่คือประเด็นแรกไงไม่เป็นผู้รักผู้โกรธผู้ชังเหล่านั้นก็คือไม่สับุคคลตัวตนเราเขานี่คือประเด็นที่มันต่อมาเพื่อไม่ไม่ใช่เรามันก็มันก็ไม่มีอะไรหละไม่เป็นผู้รักผู้โกรธผู้ชังแล้วก็ไม่เป็นอะไรกับไรนี่แหละคือไม่ตัวไม่ตนไม่ใสัตบุคคลตัวตนเเราาข ไม่ได้เป็นพระเป็นโยมเป็นแม่ชีเป็นอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมมันแค่สมมุติขึ้นมานะสมมุติเราชื่อสมศักดิ์นะมันก็แค่สมมุติขึ้นมาอย่างนะเพราะว่าเราจะชื่ออะไรก็แล้วแต่เราสมมุติขึ้นมาทั้งนั้นแต่เราก็ไปติดมันนะติดมันเนี่ยมันมันติดมาตลอดนะเมื่อเราสังเกตได้จะเบาลงเบาลงก็วางวางไปหมดแล้วนะมันไม่มีอะไรคล้องในใจเราแล้วนะเราในท้ายที่สุดนี้ขอน้อมนำํำขอบรารถนคุณพางไตน้อมนําทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญา และถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเร็วพันทุกท่านเถอด